เต่จมัยคั่งพุทธการนั่นท่านฟังแทศตั้งใจฟังจริงๆฟังด้วยศรัทธาความเชื่อฟังด้วยความเรื่มใสฟังเพื่อจะด้วยความตั้งใจนำใช้ประพฤติปฏิบัติจริงๆอยู่ในหลักเทวะ ตั้งใจฟังโดยความเคารพจดจำคำที่ท่านแสดงไว้โดยความเอื้อเฟื้อความเคารพแล้วก็นำไปตรวจรองพิดนิพิจารณาด้วยความเคารพแล้วปฏิบัติตามด้วยความเคารพ ความเคารพต่อพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจา้ากว่าเท่ากับเค า, ารพต่อพระพุทธเจ้าก็จะเคารพต่อพระสงฆ์สาวกของร พ, ธธพระพุทธเจ้าเพราะพระพุทธเจ้านั้นพระองค์เป็นผู้ค้นคว้าจนได้บรรลุธรรมส่วนพระธรรมนั้นก็เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้า พระสงฆ์เป็นผู้ประพฤติปฏิบัติตามเป็นสาวกของพระพุทธเจ้า<อ>ก็อาศัยพระธรรมนั้นเพราะฉะนั้นประพฤติท ร, ทรสทั้งอยา่างแยกออกโดยเนื้อความจะเป็นอันหนึ่งอันเดียวไโดยหลักความจริงเพราะฉะนั้น การฟังด้วยความเคารพเพื่อผลประโยชน์แก่ตัวของเราเองเพื่อจะได้ถอนความเห็นผิดเพื่อจะได้ถอนความเข้าใจผิดเพื่อจะได้อ่อนน้อมเพื่อจะได้ปฏิบัติถูกต้องได้ง่ายเพื่อปฏิบัติตรงทางได้ง่าย เพราะจิตมันอ่อนมันน้อมความเคารพก็คือความอ่อนความน้อมธรรมะจะละเอียดขดเคี้ยวอย่างไรก็สิ่งที่อ่อนน้อมตามมันก็เข้าตามได้ไม่ขัดไม่ติดเพราะอาศัยความเคารพอาศัยความเรื่อมใสความเคารพนี้ก็ต้องอาศัย เป็นผู้ที่ว่าง่ายสอนง่ายเข้าใจถูกต้องง่ายจิตมันเข้าอยู่ในหลักความจริงได้ง่ายไม่มัวแต่รีรอเพราะสงสัยเพราะกลัวเพราะไม่รู้เพราะหลงทำให้เนินช้าผู้มีสติปัญญาดีมาพูดสิ่งที่จริงแล้ว จิตดวงนั่นพนรับมันตรงกันเข้าใจกันถูกต้องได้เร็วไม่ต้องสงสัยน่—นนต์นนี้เหมือนกับคนที่รู้จักมีความรู้พูมมรู้ได้เรียนหลักวิชาการเสมอกันมีความรู้เท่ากันเขาพูดในหลักวิชาการหมดนั่นมือนก่นก็เข้าใจทันทีทันทีด้วยกันรับรองมั่นคงด้วยกัน คนหนึ่งเข้าใจคนหนึ่งไม่รู้มาพูดแล้วเมื่อเขาไม่เข้าใจแล้วเขาก็ไม่รับรองเขาก็หาข้อขัดแย้งเพราะเขาไม่เห็นด้วยเพราะเขาไม่เข้าใจอย่างนี้ผลที่สุดมันก็ความเห็น ปฏิบัติเพื่อให้เกิด้นงานก็นเลยมันล่าช้าไม่ทันเวลาไม่ทันเหตุการณ์เพรามัวแต่หาอยู่ตกลงกันไม่ได้เราทั้งหลายฟังาธรรมถ้าเราตกลงก็ได้ง่ายกับธรรมะคำสอนตัวพระเจ้าแล้วเราก็รู้ง่ายเห็นง่ายสงบง่าย สนี้จิตใจของเรายังไม่ทันเข้าใจหลักธรรมอันถุกต้องยอมรับตามความจริงเพราะเพิ่งได้ยินได้ฟังเรื่อนานๆที่ได้ยินได้ฟังนานๆที่จะโผล่ขึ้นมาให้เราได้พิเนธิจารณาแต่การได้ยินได้ฟังคิดนึกน้อมไปในเรื่องอื่นนี่มีอยู่ตลอดเวลา เพราะฉะนั้นทางการรู้ทรรมเนี่ยมีโอกาสน้อยเหลือเกินไม่มีช่องว่างไม่ิตในใจให้ธรรมะได้ไปยึดอยู่ให้มีอิทธิพลในด้านความรู้ทางธรรมอิทธิพลทางโลกเหนือจิตใจของเรามากกว่าทั้งเวลาทั้งตลอดความรู้ตลอดถึงความจำนานแนละความคล่องแคล่ เรื่องของโลกมันเคร้าแคร่วว่องวารวดเร็วกว่าเพราะเหตุนั้นทางโลกจึงมีบทบาทบนจิตใจของเราทำให้เราอยู่กระทบกระเทือนแบบโลกโลกอยากจะเข้าไปสู่ธรรมก็บธรรมก็ไม่มีกําลังที่มาช่วยของเราเพียงพอเพราะฉะนั้นเราควรพยายามเปิดประตูช่องกว้างให้ไปายธรรมะ เพื่อให้มีกำลังเท่าเทียมกันกับทางโลกหรือให้เหนือกว่าทางโลกก็ยิ่งดีให้พยายามโอปนายโยน้อมเข้ามาเห็นอะไรอย่างอื่นกันน้อมเข้ามาให้เป็นธรรมเห็นส่วนไม่ดีใครน้อมเข้ามาเป็นของจริงเป็นทุกข์เป็นจัจจะเป็นของจริงที่มีอยู่ประจำโลก มีให้เราได้พบได้เห็นได้รู้ได้พิจิตรณาได้เราสร้างปัญญาไม่ให้รลุมหลงส่วนความสุขที่มีอยู่ในจิตในใจของเราเราก็ควรรู้ตามความเป็นจริงเป็นสัจจกเป็นธรรมอันความจริงเพราะความสุขไม่อยู่จริงในโลก ถ้าความสุขไม่มีแล้วพระพุทธเจ้าพระองค์จะได้ความสุขมาอย่างไรความสุขมันมีอยู่แล้วแต่เราไม่สามารถจะเอามาเป็นสมบัติของจิตใจแลวตั้งอยู่ในจิตใจของเราได้เพราะมีสิ่งอื่นขัดขวางหรือบรรจุสิ่งอื่นมันเต็มแล้วถึงเราอยากจะเอาเข้าไปก็เข้าไม่ได้ยึงไม่ได้ เข้าได้เล็กๆน่อยๆมันก็อยู่ไม่ได้หลุดออกไปหลุดออกไปเพราะฉะนั้นเราควรพยายามหาโอกาสเอาธรรมะในส่วนที่จะให้เกิดความสงบเกิดความสุขมาอยู่ในจิตใจของเราให้มากธรรมะที่จะมาปรากฏในจิตใจของเราในต้องอาศัย โอปัญญายิตกระทำคือเราน้อมเข้ามาใส่ใจน้อมทำเข้ามาในใจนี่จะไปละลึกเข้ามาให้สู่จิตใจของเราให้เราได้อานำทำที่มีอยู่ใ น, ในใจของเราให้มากจะเป็นส่วนไม่ดีคือความทุกข์ความรําคางความวุ่นวายจะ ทางทางกายทางวาจาทางจิตใจเป็นส่วนท้ใยส่วนที่ไม่ดีที่เราควรเบื่อหน่ายควรเห็นทุกเห็นโทษเห็นเป็นสิ่งที่น่ากลัวแล้วเราไม่โม่มาประมาในธรรมนั้นั น, นเราพยายามที่ไม่ให้จิตใจไปผูกพันในธรรมนั้นั น, นเหมือนกับเราเห็นไฟแเห็น ยาพิษเราไม่ประมาทไม่ควรจะเอาลิ้นเอาใส่ลิ้นไม่ควรจะเย็บใจปากมันเป็นภัยอันตรายต่อสุขภาพเราควรรามัตระวังไม่ให้ยาพิษเรานั่นไปแปลกเพื่อน ผ, อนผสมการวรงโภคต่างๆมันติดเสร็จเลือเข้าไปทําอันตราย เมื่อเราเห็นรู้จับชัดยาพิษวราเป็นยาพิษแล้วส่วนอาหารเป็นอาหารส่วนยาพิษอะไรเป็นยาพิษเมื่อเราเห็นชัดแล้วเราวก็บริโภคสิ่งที่เป็นอาหารพอเหมาะพอควรบำรุงร่างกายของเราชีวิตก็จะอยู่ได้ตามปกติธรรมดาชั้นใดจิตใจของเราก็เหมือนกัน ยาพิษที่เราทั้งหลายเบื่อไม่ทองกลางก็คือทุกข์นั่นเองแต่ทุกข์มันติด่้วตนอยู่ในประเภทใดๆเราก็พายายามดิฉนวงระมัดระวังที่มาจากเหตุคือความหลงเพราะฉะนั้นเราควรมีสติรักษาตัวของเราไม่ให้หลงให้ตั้งอยู่ในสติมีความรู้ความจริง สิ่งใดเพื่อเป็นไปเพื่อความกำนัดย่มใจเป็นไปเพื่อความสะสมสกปอกเป็เลสเป็นไปเพื่อความอยากใหญ่เป็นไปเพื่อความประกอบกระกองทุกข์เป็นไปเพื่อความคุกค์คือมวเมาประมาต์นี่ไม่ใช่ทำที่ส่วนที่เดชเป็นทำที่ส่วนเราละส่วนเราควรทิ้นธรรมประเภทนี้มีอยู่ในใจควรชาระสาสาม อย่าไปคิดหรือมีมากมาก็จะมีความสุขอย่าไปคิดเลยได้สิ่ง น, นั้นได้สิ่ง น, นี้มีความสุขสิ่งที่เราที่ว่าหามาเพื่อให้ได้มาได้มานั้นถ้าพูดถึงความจริงแล้มันเป็นสิ่งที่ทำให้จิตใจของเราหลงตัวสมุทยที่เราโดยไม่รู้ตัวถ้าเราถ้าเราไม่ฉลาด ดังนั้นกลับกลายมาเป็นสมุทัยเป็นปัจจัยให้ทุกข์เกิดเหมือนกับความรักความรักเลยจะเป็นสมุทัยก็ได้แต่เราไม่มีปัญญาเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้ายังสอ น, นิยโตชยเตโสโคิยโตชยเตพยความทุกข์ความสุขเกิดขึ้นเพราะความรัก ความรักเนื้อโยนไหนความมวงแห่งความอันไลยความอาวรความเป็นภาระจะต้องคุ้มครองดูแลเอาใจใส่ไม่อยากให้มันเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นอยากให้เป็นของเราอยู่ตลอดเวลาเวลาสิ่งเหล่านั้นมันมันไม่เป็นไปตามความต้องการของเรามทุกอีกอเกิดความสุขความเสียใจเศร้าใจ เพราะฉะนั้นท่านจึงบางเมื่อความรักเกิดขึ้นเราก็ต้องรู้เรื่องของความชังว่ามันเป็นคู่กันเมื่อความชังเกิดขึ้นแล้วก็วันไวช่องว่างให้มีความรักเหลืออยู่บ้างอย่าไปชังทั้งหมดเพื่อให้จิตใจของเราได้อยู่กลางกลางความรักกับความชังจะได้ยู่เป็นขอบป้องกันเราเป็นรวบป้องกันเราอย่าให้รักทั้งหมดอย่าให้ชังทั้งหมด แตจะเมื่อเห็นสิ่งที่ไม่ดีแล้วก็พยายามสรสองสิ่งที่ดีบ้าง น, นีอยู่ในนั้นเมื่อเราเห็นสิ่งใดที่เป็นโทษที่ว่าเป็นโทษเป็นทุกข์เราก็มองดูให้ดีๆอาจจะมีความสุขอยู่ในที่นั้นเพราะฉะนั้นพระพระเจ้าพระองค์ได้ความสุขจากการที่พระองค์ไปผนทุกข์ทรมารต่อสู้เพื่อให้ศึกษาให้รู้ทุก เรพระองค์ไม่ทําอย่างนั้นพระองค์ไปไปตั้งจิตปณิธานหลักค่อยเรามีความสุขแต่ฝ่ายเดียวพระองค์ไม่ได้เป็นพระพุทธเจ้าเลยกายก็ไม่อยากให้กระทบกระทืบถูกแดดถูกร้อนถูกหนาวถูกโอยหิวอะไรต่างๆอยากจะให้มันอยู่โดยไม่มีอะไรให้นสบาย อ, อบอิ่มอยู่อย่างนั้น ท้าเป็นเกณันพระองค์ ông, ไม่ได้เป็นพระพุทธเจ้าเพราะเหตุอย่างนั้นไม่ได้เป็นพระพุทธเจ้าเพราะรักเพราะช่างเพราะไปหลงรักหลงชังหลงสุขหลงทุกข์ปรารถนาแต่ความสุขแล้วก็เปลี่ยนทุกพระองค์ ông, ไม่ได้เป็นพระพุทธเจ้าเพราะวิธีการอย่างนั้น พระองค์เป็นเบร์พุทธเจ้าได้ตรัสรู้ทำได้ความสุขเพราะพระองค์ไม่หลงสิ่งเหล่านั้นฝึกหัดจิตให้เข้มแข็งให้รู้เท่าให้รู้ความจริงจริงเหล่านั้นว่าสิ่งเหล่านั้นกับเราเนี่ยจะแยกกันออกได้ไหมจะเป็นอันเดียวกันจริงจริงห เ, เมื่อมาแยกไปแยกไปพลิกนาไปเอา เขาก็ไม่เป็นอะไรเราก็ไม่เป็นอะไระเหมือนกับแขนของเราสองอันนี้ททางนี้ทางนั้นก็ไม่มีเสียงอะไรเพื่อนเศเห็นท่านั้นถ้า่ติดคางเดียวแล้วจะทำอย่างไรมันก็ไม่มีเสียงทำนี้ทางหนึ่งมารับกันเนี่ยเสียงมันก็ออกมาแต่ก่อนเสียงไม่มีพอเราตบปักเสียงออกมาให้มันเกิดตามมา เพราะการที่มือสองอันอนี่เป็นเป็นเหตุอันหนึง่งมือสองอันแล้วไปกระทบกันนี่ต้เป็นเหตุอันหนึง่งถ้า ม, มือสองอันแต่ต่างคนต่างต่างไม่กระทบกันเสียงก็ไม่เกิดหรือมือสองอันสะกเลื่อนไว้ทำอะไรก็ได้จะไปให้กระทบกันต่างคนต่างเคลื่อนไหวของมันเองื่เสียงก็ไม่เกิด เพราะฉะนั้นทุกทั้งหลายท่านเรียกว่าอาศัยการเกิดไม่มีโดยตรงโดยเฉพาะมันอาศัยการเกิดเหมือนเข้าสุขมันต้องอาศัยการเกิดไม่มีโดยตรงเข้าสุขโดยตรงเราจะไปแสวงหาเข้าสุขโดยตรงตรงโดยดั้งเดิมไม่ได้ต้องมาได้จากเข้าสารได้จากเข้าเปลือกได้จากอการมาจาก ลาต้นทึ่กลูกขึ้นในดินอาศัยน้ำอาศัยแผ่นดินมันอาศัยการเกิดอย่างนั้นจึงมามีเข้าสุขแล้วมาบาริภพเป็นเนื้อเป็นหนังเป็นบุคคลมีชีวิตอยู่ขึ้นมาต้องอาศัยกันอยู่อย่างนั้นไม่ใช่ตรงๆเรื่องธรรมะก็เช่นเดียวกันเรื่องความสุขความทุกข์ก็เหมือนกันแต่เป็นแต่เพียงอาศัยการเกิดเท่านั้น ถ้าหากจิตของเราหนักแม่นผูรู้ของเราฝึกรู้ความจริงให้หนักแม่นไม่ให้วันไหวในสิ่งที่มันเปลี่ยนแปลงก็ดีสิ่งที่กระเทา ก, กระเทือนก็ดีเพียงแต่รู้เท่าแล้วพยายามระคาจิตไม่ให้มัวหมองไม่ให้เศร้าใจไม่ให้ทุกใจไม่ให้มัวหมองเพราะสิ่งที่มันเปลี่ยนแปลงสิ่งที่มันเกิดดับ เรามารู้เท่าสิ่งเหล่านี้ทางความเป็นจริงแลเมื่อเราศึกษาหนักเข้าหนักเข้าค่อยํานานขึ้นมาค่อยเห็นแต่สิ่งที่เราผ่านไปที่เราได้เฉยได้ผ่านไปผ่านไปเรากดทบทวนดูว่าอาการเหตุการณ์ภายนอกอย่างนี้เมื่อแต่ก่อนเรายังไม่ได้อบรมเราทุกขขนาดไหนเราจะนอนไม่หลับเราจะ รับทานอาหารไม่ได้จะต้องมีปัญหามีเรื่องมีราวตั้งแต่เรามารู้ความจริงเรื่องเหล่านั้นก็ลดลงลดลงน้อยลงน้อยลงเ อ, อทีนี้ความสงบความกระทบกระเทือนในจิตในใจก็ค่อยน้อยลงไปด้วยภาระอันหนักในจิตในใจก็ค่อยน้อยลงไปด้วยความเบาใจความสบายในใจ ค่อยมากขึ mira, ้นออันน <okay. S 1> ี้รู้ได้เฉพาะเราเท่านั้นนะคนอื่นไม่รู้เพราะมันเป็นที่จิตของเรามันปรากฏที่จิตของเราเมื่อเรารู้ของเราเป็นอย่างนี้เราก็รับรองความจริงที่มันเกิดขึ้นในจิตใจของเราเห็นผลของการศึกษาเห็นผลของการปฏิบัติเห็นผลของการปฏิบัติถูกด้วยตรงด้วย ถ้าเราศึกษาก็ตามปฏิบัติก็ตามนี่ก็ตามถ้าไม่ถูกไม่ตรงก็ไม่เห็นชัดในใจไม่มีพยายนหลักฐานที่ให้เรามั่นใจถึงแม้ว่าเราจะได้ยินได้ฟังจากท่านสอนก็ตามถ้าไม่ปรากฏในจิตใจเลยไม่เป็นพยานที่เราให้เชื่อมั่นแ น, น่วแน่นีแต่ความสงสัยเพราะยังไม่สัมผัส าะเอ็ดน้่นการปฏิบัติให้ประจตในใจิตในใจของเราเป็นสิ่งที่จำเป็นว่มต้องการอยากรู้ทางที่พระพุทธเจ้าสอนให้เราปฏิบัติเรียบประมักโดยโย่อยโยอดที่สุดแล้วก็มีสินมีสมาธิมีปัญญาในแนวทางเพราะฉะนั้นสิลนเป็นฐานรองสมาธิ สมาธิเป็นฐานรองรับรองปัญญาเมื่อฐานเมื่อฐานคือสินไม่มั่นคงสมาธิจึงตั้งอยู่บนฐานก็อยู่ไม่ได้คอา น, นี้เรามาพิจิร น, นานแล้วบางแห่งบางคณะที่พวกฝรั่งแล้วพวี้ลเลรวก็ว่าสินไม่จำเป็น จะมาเคยไปอบรมเทศเรื่องทานศ้ลอยู่ทางออสเตรเตลียพะเทศเสร็จแล้วนี่คนไทยบอกว่าเขาไม่อยากฟังเทไรเรื่องทานศีลเขารู้แล้วอยากจะฟังแต่ปรมัตารธรรมเรื่องสมาธิภาวนาทสูงเราก็เลยก็ไม่อยากพูดมากไม่ต้องพูดอย่างนั้นแล้ว ก, ก็เลยพูดไป กลางวะออกนึกว่าพระพุทธเจ้าทรงแสดงสิ่งสมาธิปัญญาเป็นทางในสมบูรณ์บริบูรณ์ถ้าหากขาดสิ่งน้วสมาธิมันจะดมั่นคงได้อย่างไรถ้าเราโดยพิจารณาโดยอารมณ์สิ่งที่มากกระทบีิถ้าเราสมมติเราทำผิดสิส่งนี่ย สิ่นแล้วสิ่งที่มีที่มากระทบคืออะไรบ้างที่ทำให้เราไม่สงบที่เราไปทําเดือดร้อนเมื่อเราตัวพึ่พึษสินี้ไม่รับดาสินมันต้องมีเรื่องกระทบมากมีเรื่องก่อกวนมากเพราะไปฆ่าเขาเขาก็ไม่ชอบแล้วไปรับของเขาเขาไม่ชอบเป็นพิษ แต่เวรนี่ยมันก็จะมีสร้างแต่ปัญหามันจะเป็นสมาธิได้อย่างไรเมื่อไปกินเหล้าแล้วไปเต่าโกโผล่อยู่อย่างนั้นเจะเราพิจนารณาดูจึงจึงจึงเป็นฐานรองที่สําคัญที่สุดแม้ิลป์ศิลป์ห้าตลอดไปดูแต่เราชอบดืงมเล้าอย่างนัง้นจะสมาธิมันจะตั้งได้อย่างไรแต่ละข้อละข้อ ทำไมจึงว่าศีลเป็นสิ่งที่ไม่สำคัญเพราะฉะนั้นพระอริยะเจ้าทั้งหลายท่านรู้ทมส่วนละเอียดเท่าไรเห็นทำส่วนละเอียดเท่าไรส่วนศีลของท่านกับท่านศึกษาให้บริสุทธิ์ท่านไม่ได้ปล่อยละเลยที่เราเลื่อมใสเพราะศีลท่านบริสุทธิ์นี่เป็นพระอาหารหันต์ที่ะอาจกว่าพระทูชนอีก ท่านบริจุทธกายวิ จ, จ, จาใจเหมือนกับองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ใช่ที่รักษจะเจาฉันละกิเลสได้แล้วไม่จำเป็นจะต้องรักษาเพราะฉันไม่ลงจะทำอะไรก็ทำจะพูดอะไรก็พูดไม่มีในวิสัยของพระพุทธเจ้าท่านยิ่งสมรวมยิ่งรักษายิ่งเป็นเนติแบบฉบับทุกอย่างท่านไม่ได้ปล่อ ย, ยจนมรณะฟ้ะ จนดับขันส่งไปได้ในานพระอริยสงฆ์ก็เหมือนกันพระมหากัสสปะเคยปฏิบัติถือพระดงขงวัตแต่เบื้องต้นอย่างไรท่านเป็นพระอาหารหันต์แล้วท่านก็ยังปฏิบัติอยู่อย่างนั้นท่านสมรวมอยู่อย่างนั้นท่านรักษาของท่านอยู่อย่างนั้นโดยปกติทีนี้ถามีปณท่านไส า, าตุเหลจตับงกำลั อ, อยู่ กับอีกมีอีกไหมถึงกิเลสไม่มีทั้งก็ทําอย่างนั้นไม่ได้ถึงจะไม่ทำได้อีกทั้งก็ทําอย่างนั้นไม่ได้เพราะอะไรเพราะถึงกิเลสอาสวะที่จะจกแต่งพบชาติขรั้งหน้าหรือการ่อไปแต่งไม่ได้แล้วแต่เมื่อการกระทําที่ไม่ดีที่ผิด หมดทำได้เหมือนกับปุถุชนคนอื่น ท, ทําทษไปแล้วเสียงจากปุถุชนที่ไม่รู้ต้องเข้าหูท่านแน่นอนนี่เสียงตัณฑ์จิตเตียนแน่นอนหูต้องในยินแน่นอนเพราะหูมันเป็นวิบากกายก็ยังเป็นวิบากแต่อดีตมันเป็นผลปัจจุบัน พราะนั่งกายก็ต้องมีเวทนามีขันยังเหลืออยู่ก็ต้องมีภัสตมีเวทนาอยู่เพราะกายไม่ได้เป็นพระอาหารหันต์ระสาทหูพระสาทตาพระสาทจ ม, มูกประสาทดินที่อยู่วิญญาณส่วนนี้เป็นวิญญาณนบากไม่ใช่เป็นพระอาหารหันต์ย่อมรับรู้สิ่ง น, นี้นั้นเพราะฉะนั้นสิน่งนี้ก็ย่อมมีความรู้สึกไม่ใช่ไม่รู้สึก เพราะฉะนั้นเราไม่ควรมองข้ามาเราทั้งหลายต้องการความมั่นคงของการปฏิบัติเพื่อให้มีผลใหญ่มีอนันในสงใหญ่ความสมรวมตั้งโยนในสิ้นสันโงกายสรนโดวาจาโดยความระมัดระวังก็เราถกับเราสร้างสติอยู่ตลอดเวลา เมื่อสติของเรามีระลึกการกระทําควบคุมการกระทํำควบควบคุมการพูดของเราไม่ให้ผิดเป็นการสุดเจริญในทางกายทางวาจาแล้วเชื่อว่าเราเดินตามทางเมื่อเราเดินตามทางที่ตรงถูกต้องแล้วนับแต่ตั้งแต่ก้าวแรกแล้วก็ขยับเข้าใกล้หาความความจุดหมายปลายทางทุกก้าวไป แต่ถ้าเราเดินทางผิดไม่ก้าวไปสไลมันก็ยิ่งห่างจากความจริงห่างจากจุดหมายปลายทางยิ่งกับก้าวไปนานเท่าไหร่รวดเร็วเท่าไหร่ยิ่งจะห่างเร็วมากขึ้นเน่เพราะมันผิดทางเพราะฉะนั้นทางคือสิ่งเราก็ควรพยายามสมเนกศึกษาสารวมระวัง เข้ามาแล้วก็พยายามที่จะช่วยกันเป็นเครื่องอุดนุนกันถ้าคนหนึ่งไม่มีสติคนหนึ่งมีสติพยายามสังรวมพยายามสงบนักเข้านักเข้าก็มีความสังรวมความเรียบร้อยความงามความสงบความเรียบร้อยความงามเนี่ยถ้าไม่มีพลังทั้งทางกายทางใจด้วย เพราะฉะนั้นเมื่อเรามีสิ่งสํารวมกายวาจาเป็นพื้นฐานสะอาดแล้วเราจะใช้สติจํารวมใจเพราะเราปิดประตูสองประตูได้แล้วข้าศึกมันเข้ามากอกวนไม่ได้ประตูทั้งสองถูกปิดคือประตูกายและประตูวาจาปรตูเข้ามาไม่ได้ ยังมีประตูใจอาจจะมาคาริปลอดเข้ามาได้เราก็ปัดตั้งนสติเฉพาะประตูเดียวไม่ต้องกังวลประตูอื่นเราก็สามารถที่จะเอาใจชนะ ต, ต่ออารมณ์ที่มาโกวนจิตใจของเราให้มัวหมองทำให้จิตใจของเราไม่สาเราอยู่ในประตูเดียวมีช่องมีโอกาสที่จะเรามีกำลังที่จะเอาใจชนะใดมากกว่า คื่ประตูของเราไม่มั่นคงเขาเข้าทั้งกายก็ได้เข้าทางวายจาก็ได้เข้าทางจิตใจก็ได้แต่สติมีอันเดียวเวลามาโยประตูนี่ประตูนั่นก็นว่างเป็นช่องว่างอะไรสักอูเข้ามาเวลาโยประตูมารซาเนี่เป็นช่องว่าเพราะฉะนั้นเราเพิ่งตั้งสัจจะอธิฐาน รักษาประตูรูอปิดประตูของเราให้ดีแล้วประตูอันเดียวแล้วพยายามแต่สมัยทั้งพุทธกาลท่านจึงเปลียนอุ ป, ปมาร่างกายของเราเปลี่ยนเหมือนจอมปลวกเปลี่ยนเหมือนปลวกใหญ่อันหนึ่งปลวกใหญ่นั่นร่างกายของเรามีประตูคือ คือตาหูจมูกลิ้นกายใจเป็นหกประตูด้วยกันทันวาเมื่อต้องการจับเฮี้ยเฮี้ยมเข้าไปอยู่ในตวดนะเมื่อต้องการจับตัวเฮี้ยแนละ้วทันวาให้ปิดอุดให้แน่นประตูทางห้าช่องทางห้า แล้วก็ไว้ช่องหนึ่งสำหับเราอยู่เฝ้าคอยคุดตามช่องนั้นคุดไปคุดไปคุดไปก็จะได้ไปพบตัวเฮียจับตัวเฮียได้เพราะมันออกไปทางไหนไม่ได้เราปิดนะ้วแต่ ถ, ถ้าหากเราไม่ปิดอเราปิดไม่ดีเราปิดไม่หมดอยงเชิงใดเชิงหนึ่ง เพราะตัวเฮีย ม, ยมันก็กลัวตายเหมือนกันไม่อยากตายเหมือนกันมันก็ต้องดินหาช่องออกเมื่อเห็นช่องไหนออกได้มันก็ออกไปแล้วจับตัวมันไม่ได้จิตใจของเราก็เหมือนกันมันมีประตูติเพราะฉะนั้นท่านจะให้เข้ารูให้เหลือแต่ประตูเดียว รักษาประตูเดียวให้ดีการรักษาปฏิบัติให้ดีเกี่ยวเื่องด้วยการงานทางจิตใจเป็นสิ่งที่ละเอียดมากจะบังคับมากโดวยวิธีการเหมือนกับเราทํางานอย่างอื่นของยาวก็ไม่ได้ต้าจะปล่อยมันก็กลับรวดเร็วเหมือนกับใบน้ําอยู่ในใบบวัวการประครับประคองจิตเหมือนประครับประคองน้ําอยู่ในใบบัวนี่แหละ ไห้ถือว่าอย่างนั้นน้ําที่อยู่ในใบบวัวกลิ้งไปกลิ้งมาเนี่ยเผลอไม่ได้ละการภาวนาที่ดูจิตของเราที่ทาจิตใจให้สงบนะพยายาเหมือนกับขณะเราสั่มรวมระวังน้ําอยู่ในใบบัวนั่นเสราจะน้ําในใบบวัวเราจะกําแรงก็ไม่ได้เราจะเคลื่อนไหวแรงเกินมากก็ไม่ได้ เราจะเนี่ก็ต้องพยายามทำโดยใจดีใจระมัดระวังโดยไม่ใช่เป็นของหนักใบบัวไม่หนักเลยเราจะซื้อได้โดยต้องใจจิตใจเที่ยงโกรกนี่ก็เหมือนกันเรามองดูด้วยทิฏฐุ ก, กับความเห็นในตรงโดยอุบายแยบคายก็ททำจิตใจของเราให้เห็นตรง เห็นตรงเห็นรวบรับเข้ามาโดยเฉพาะทำทางหลายมีใจถึงก่อนสำเร็จโดยใจเรารวบรับเอาสินี้เราดูที่ใจแล้วใจทางหลายมันก็ต้องมีอยู่ในที่นี้ถ้าไม่มีใจแล้วทำทางหลายจะเป็นกุศลอกุศลอดีตอนาคตปัจจุบันก็มันไม่มีที่อยู่เพราะฉะนั้นเมื่อเรารวบรับดูที่ใจสะนี้แล้วเราก็พยายามเมื่อการสร้างใจ ทจะให้มันดิ้นรนไปตามอารมณ์ต่างๆที่หลอกไปจริงๆก็เท่ากระเทือนเหมือนกับน้ำํำพยู่ในใบบัวที่มันกลิ้งไปตามจริงกระท่ากระเทือนเราก็พยายามทิศดูให้ตั้งมั่นด้ยแม้แต่ลมหายใจก็ละเอียดตามระดับแม้แต่ความรู้ก็ละเอียดตามระดับทั้งความสบายด้วยทำจิตใจไว้สบายขับคลองไดยต่างๆ เราก็ใช้อุบายทำไมไม่มันคิดไม่ไม่ดีมันก็ยังคิดได้คิดไม่ให้สงบเพราะมันก็ยังคิดได้มันสร้างขึ้นได้เราจะสร้างความสงบไม่ได้หลือเรจะสร้างความดีในใจไม่ได้แล้วความไม่ดีก็ยังคิดได้ไ ม, มันก็ต้องได้จะเป็น ไ, ได้เดียวทางนี้ไม่ได้ทำไมมันทาเป็นคู่เพราะฉะนั้นเราเพยายามคิดแต่ให้มันสงบ คือคําว่าความสงบเนะี่ยคือไม่ใช่ว่ามันไม่มีอะไรเสียเลยคําว่าความดับมันมีอยู่แต่สิ่งที่ดับก็คือทุกสิ่งที่รู้มันก็ต้องมีอยู่ใครจะไปดับความรู้ได้เหมือนกับแสงสว่าง เมื่อเป็นธรรมชาติใครจะไปดับได้เมื่อเราต้องการเมือ่อเราก็ดับตาของเราถึงแสนสว่างมีอยู่อะไรก็ตามแต่ตาของเราหลับแล้วก็เมื่อได้เหมือนกันเมื่อเราต้องการแก้เมือ่อก็ไม่ต้องไปดับดวงอัตไม่จ้องไม่ต้องไปหาอันอื่นเพราะดวงอาทิตย์มีอยู่แล้วเรามาแก้ที่ดวงตาของเรานั่นแหะ เราเลื่นตาขึ้นมาโรง่งขึ้นมาก็ได้สัมผัสโดยแสงสว่างเราก็เห็นรูปต่างๆผลที่สุดเราก็มาแก้ตัวตาของเราเพราะสว่างก็มีอยู่แล้ววัตถุ ก, ก็มีอยู่แล้วจะเมื่อตัวใจสว่างมันอยู่ทิฏตาของเราชั้นใดก็ดีทำทั้งหลายมีอยู่แล้วที่พระพุทธเจ้าพระองค์ทุกทุกพระองค์ได้ตรัสรู้แล้วในโลกนี้ ในชาติมนุษย์นี้ในเดือนปีอันนี้ในจักรวาลอันนี้ในดวงอาทิตย์อันนี้ในโลกอันนี้ในธรรมอันนี้ความเกิดเกสรเจ็บตายอันนี้ตั้งแต่ไหนแต่ไรมาไม่ใช่พุ่งมีแตเฉพาะเราคิเลสทั้งหลายก็ไม่ใช่สุ่งมีเจ้าเพราะเราเกิดชุดท้ายไปหลังมันนี้ตั้งแต่ไหนแต่ไรมา ความทุกข์ม่ใจพึ่งมีโดเฉพาะพวกเรล่านี้ในอดีตมานานีน้เป็นของประจําโลกเป็นของประจําธรรมพระพุทธเจ้ามาได้ตรัสรู้โลกตรสรูธรรมที่มีอยู่แล้วเพราะอาศัยพระองค์มาแก้ดวงตาของพระองค์ให้ใสสะอาดสามารถมองเห็นสิ่งต่างๆที่ละเอียดที่คนทั้งหลายไม่เห็น ที่คนธรรมดาไม่เห็นที่คนธรรมดาไม่รู้พระองค์ก็เห็นแล้วศึกษาจนรู้จนเข้าใจในสิ่งที่พระองค์รู้พระองค์เห็นนันนั้นเอาใช้ให้เกิดประโยชน์ความสุขอย่างพึงพอใจเพราะฉะนั้นเราทั้งหลายควรสำเน็กศึกษา ให้เข้าใจธรรมะที่ละเอียดในส่วนที่ละเอียดในส่วนที่ยาบในส่วนที่ปัณี์เราก็ต้องใช้สติใช้ปัญญาให้เหมาะสมในธรรมนั่นนั่นในส่วนนั้นนั่นเราก็จะเห็นได้ทำส่วนละเอียดแต่สติปัญญาของเราอยากอารมณ์จิตใจของเราอยาก มันก็รับกันไม่ได้รับไว้ส่วรละเอียดไม่ได้ี่เลือยอยู่กับเลือใส่ส่วนยาที่เสมอกันเมื่อเราต้องการรู้เห็นธรรมะส่วนละเอียดจะต้องอาศัยความสงบจะต้องอาศัยความวิเวกต้องอาศัยสติต้องอาศัยความเพียรเราก็ต้องหาที่สงบที่วิเวกต้องมีสติมีความเพียร ให้เหมาะสมพอดีพองามก็เห็นได้ก็รู้ได้เมื่อเราเพียรไม่ดละไม่เป็นสิ่งที่เหลือววสใยเพราะฉะนั้นเราทั้งหลายควรพยายามสำเนกศึกษาเฉ พ, เพาะเวลาที่เรามีโอกาสอันดีเหมือนในสมัยเวลานี้ในปัจจุบันนี้เป็นโอกาสที่ดีไม่น้อย โอกาสที่ดีอย่างนี้อาจจะหาไม่ได้ในอนาคตข้างหน้าก็ได้จะเป็นสิ่งที่ง่ายในปัจจุบันนี้อาจจะสิ่งที่หายากในอนาคตก็ได้เพราะฉะนั้นเมื่อเหมาะสมในการที่จะเราจะศึกษารประพฤติปฏิบัติแล้วควรจะสละเวลามเวลาตั้งใจปฏิบัติอย่างจริงใจจะอยู่บ้านก็าตามจะอยู่ปา่าก็ตาม เราก็ให้พยายามตั้งใจเทศบดในธรรมนั่นถ้าเราทั้งหลายปฏิบัติได้อยู่อย่างนี้ละ่ะความรู้ของเราเกี่ยวด้วยธรรมะย่อมปรากฏมีบทบาทในจิตใจให้เราได้สัมผัสความพึงพอใจความหนักแน่นความสงบสุขย่อมเกิดขึ้นในตัวของเราแน่นอน เมื่อได้ยินได้ฟังแล้วพากันจดจำไว้ให้หดีนำไปประฤติปฏิบัติตามโดยความไม่ประมาทเราก็จะได้ประสบผูกเป็นความสุขความเจริญอังกล่าวมาสมควรเกิดการเวลายุติจะเพียงเท่านี้